รู้ว่า น, นี่ไปหยุดตกจันคันแท่ได้หนังสือมาเป็นนังสือประวัติเคนนี่ประวัติแสบๆอยู่ดิตอนคนสืนบมรณะาสตร์แค่สองหมืน่นครัขามไปฟังเล่าไปเวี่องกันไปเยี่ยมสร้างเกลือกโซนันนาอันที่มีข่าวว่าสร้างเกลือกเมื่อเรื่งกัน สร้างเห็นนเลยหมู่ลุงเลยหมูบร่งกาบเหตดอีดรเน้ยเึ่งหนังตากะไล่ีห้ฟอมเป็นสบายหัวนั่นแหละเห็นก็ว่าโอ้ยกันศาสนี์มีพอดอยมะเยี่ยมสร้างมีแล้วรับมันบท่านบายใปเลยครับมันมนตายกับ่ดท่านตายละบดแต่บ้านนี้เขิเป็นขับจากนั้นมาแล้วสองมือเท่าไหร่เม่อานน่ะสองพันห้าร้อยสี่สิบห อันนี้เป็นเรื่องนาคิดอยู่วะพ่วมพันวาเลี้ยนเกิดเลี้ยนตายเนี่ยมันเป็นไปได้หรือด้วยไปเจอซีเมนไทแล้วมันคูชนิดสัเปะรดยุนแล้วเป็นตายแล้วป เ, เป็นเกิดเป็นต่างเกตเนี่ย น, นะ่างเกตที่เมืองเวี้ยนใหญพอเห็นคนเนาะโว้ยเปล่ามาหมอบกราบรุ่งนำตาไหลมันนี่คิดคิดถึงกันอยู่คิด มันไปครอบข้องอัตถะรา่างกายร่างกายเป็นดินน้ำไปร่มมันไ่ยอมขาดดอกร่างกายก้อนใดเนี่ยร่างกายติดเกิดมาเป็นสองขานี่ขนหนีน้ีเป็นไก่เป็นเต๊นท์เป็น เ, นเนส้นก็นี่อันนี้ดินน้ำไปล่มเกิดมาเป็นก้อนเป็นสัางยิดดวงนันจะไปครอบข้อง อ, อ, อันนั้นข่วมคิดค่อยยูน้ากข็งค่อยฝูพันน้ำแข็ง มีกิดจะซำร่วมกันเนี่มันก็ย่างลูกท่านอยู่มันเพท่านเมด่อนเพราะท่านจางมันขีรเกีกันจำกันใดนกันาจารย์ขั้นแท่มีความสามาความรู้จักไพ่ได้คนรูจักว่าอันใดเป็นอันใดเนี่ยผู้ศิเขามีความรู้ทังสัน่ะี่อเมื่อเขาเเววคนมากหรือขนาดคิดหนาฟั่งหนารับไอพิดจาน่าอะไรเด้อ คนเท่ากันูึกว่าตายแล้วยังหมดเป็นเมือเยื่อหย่แล้วมันจิต้องไปเกิดอีกนี่คนเทากัสีเดชละเรีนควมตัวแตนะ่นี้เพราะว่าไม่จิเปเสยดีย่มะมันบอกมันจิตคนนั่นซึ่งที่ป็นเสวยดียั่มันก็ต้องเฮ็ดแน่ดีดีไว้ไม่ถ่าเจ้าของ้วไปใส่ปากนาเนี่ยนั่นแหละใช้เทาพิจิรนาแลยพิจิรนาเน่ให้เห่ากัทุกันนั่นละ มิเวลาเฮ็ดเหรอเฮ็ดเซนแอลดีดไว้คืดดีดีท่านใจนี้คลองใสไว้อยู่เรืยท้าบุญท้าทานเฮ็ดเฮ็ดเซนแอลดีดเป็นบุญนะไว้พบกันมาค่มกันแบบพืดต่อกันเป็นต้นดีดย่าไปเกลียดไปสร้างไปให้กันพืว่ามันเป็นหมูกันเหมดเนี่ยแหละมันเกิดมาตุดเดียวกันมันก็จงไหนมาเป็นมูกันี่พึ่งเผินมากคลอมกันให้ถือว่าเป็นมู่กันซะ ไม่กันแลวดอกมันไม่ม่นเกิดมาคนละยุคนละสมัยมันดีเป็นมูกันได้ยังไงแหละถ้าผู้นึงตายแล้วผู้นึงเกิดมาอยู่นี่เกิดพวกท่านกันมันเป็นด้เป็นมูกันหน่อยซุ่มเกิดมายังเห็นหน้ากันอยู่นี่ถือว่าเป็นมู่กันนะอายุเพท่านกันถือว่าเป็นมู่กันมูมูแก่มูเส็ดมูสายนู้นกันโดยที่เท่าเกิดว่าโอ้เจีากวปฏิป่วยเนาะ เจ้ากะเข่าเจ้ากะทิแก่ทิเข่าทีกล้วยและเจ้ากะทิสายคอยกะทิแก่ท่เข่าโตโเตมากคอยกะทิสายชื่อกันยังเป็นชื่อกันน้อเฮานี่โอ้ยมูกันไอ้ี่น่เป็นคืเห็นเป็นมูกันเลยหมันว่าใจใหต่อกันแบบคิดให้ต้อกันหอกความยันคือกันเนี้ความยันกะแพ้เมสากับแพนนี่ลหละอันว่ายัน่หลอกยันนั่นยันนี้ยันหลาย เอามันกับเมนูเขากะมูเดียวกันเจ้ากมูไข่มัเจ้ารูปร่างกีไล่เป็นไรเจ้าตัวปนไรเจ้าก็บเมนู่ข่เมันก็ืิบดทำลายกันตัวข่กับพอทาลายเจ้าเจ้าคืนหักไอยุตัวเนี่อจะไล่ระวังกันมันก็มือนร่เนี่ยทั้งท่านหลักแค่เมตาพรแค่นี้ท่าหลัแรแพร่พ่วมเป็นมิรด้วยสปแพร่พ่วมเป็นมิดเรียกว่าเอิญแพรเมตา เพื่เข้าทำบุญทำอยังที่เป็นประโยชน์นี่แหละแค่เมียศาเขาคิดว่าโอ้คืเห็นมูเด้คือเห็นมูอยากให้มูได้บุญน้ำกันเด้เด็กได้รับข้มือบกบานนํากันมีอย่างที่เด้ก่อนที่นะนี่แค่เมียศาถัาเขายูนสบายก็โอ้อยากให้มูสบายคือเขาเด้อะไอย่างที่น่นหละแค่เมียาเยอะด้